ว่าเป็นเช่นไรรักทธอมตลอดฉันก็รู้ว่าเธอเข้าใจก็รู้ว่าเธอมีสิ่งฉันเลือกจะตัดสินใจคนที่ดีที่สุดไม่โชคดีเสมอไปฉันก็คนอย่งฉัน อาจจะดูไม่ใช่คนสำคัญแต่ขอแค่เธอมีฉันแต่ละวันก็คงเพียงพอใชีวิตนี้ให้ใจอาจจะไม่ใช่คนพิเศษทำตัวให้เกินกว่าเป็นอาจจะไม่ได้ดีเด่นทำตัวให้เกินกว่าใคร เกรงใจผู้จะอาจไม่เก่งเหมือนใครแต่ฉันก็รับฝังฉันอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่ฉันว่าเราลงตัวฉันอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่ฉันว่าฉันดีพอ จะดูไม่ใช่คนสำคัญแต่ขอที่เธอมีฉันแต่ละวันก็คงเพียงพอให้ชีวิตนี้ให้ใจอาจจะไม่ใช่คนพิเศษทำตัวให้เกินว่าเป็นอาจจะไม่ได้ดีเด่นทำตัวให้เกินกว่าใคร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 จะไม่ได้ดีเด่นทำตัวให้เกินว่าใครฉันไม่มีอะไรมากมายไปไหนก็เกรงใจมูจะอาจ่านมิเกนเป็นใครแต่ฉันก็รักฝังฉันอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่ฉันว่าเราลง อาจไม่สมบูรณ์แบบแต่ฉันว่าฉันดีพอ